ดูหมอเก่งทํานายไทยทักในแม่นเคยไปถามท่านท่านก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะก็ใส่ลายแทงที่พระเจ้าได้ตรัสสอนนี่แหละก็คือนี่แหละความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ไปจนถึงว่าโดยเจ้าอุปทานกันธ์เป็นตัวทุกข์ท่านบอกว่าในคนที่จะมาหาท่านเนี่ยก็มาด้วยความทุกข์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 แต่ถ้าอาศัยคําสอนของพุทธเจ้านี่แหละทําให้มองคนออกนะว่าที่เขามาหาท่านเนี่ยแน่นอนต้องมาหาด้วยความทุกข์คุยไปสักพักก็รู้ว่าทุกเพราะอะไรนะพวกเราเวลามีความทุกข์ก็เหมือนกันนะก็มองให้ออกนะว่าเราทุกเพราะอะไรที่จริงเนี่ย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 ปาธนาสิ่งไหไม่ได้สิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งในแนวพุทธศาสนาก็เรียกว่าอ น, นิถารลมอ น, นิถารมก็คือเสื่อมราบเสื่อมยศนะสารแล้วก็ถูกนินทาแล้วก็ทุกข์นะอันที่สองเป็นเรื่องของความรู้สึกโดยเพราะเนี่ยความโศความร่อะเลอะลำพันธ์หมอม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค็งใจนี่เป็นเรื่องความรู้สึก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 นะความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์นี้มันเอาไว้ใช้กับคนหรือสัตว์นะเช่นความโศก ค, ความรลื่อนลอยลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเครียดใจเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นทุกข์ในอริยสัจสนะทุกอริยสัจสนะัสีเนี่ยท่านจะเร็งถึงตรงนี้แหละภาษาบาลีเขาทุกขะ ท, ทุกขตานะคือความรู้สึกสุขทุกข์นะซึ่งมันมีเฉพาะเจอดตงกับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก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 แต่เครื่องบินเนี่ยมันลอยขึ้นไปได้เพราะว่าแรงยกมันมากกว่าแรงดึงดูดมันต่อสู้กันอยู่นะแต่ว่าแรงยกมันเยอะกว่านะมันก็ลอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแลเท่ามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าปัจจัยเสริมเนี่ยมันมากกว่าปัจจัยปัจจัยบัณฑทอนในตัวเราเนี่ยนะมันมีความเกิดดับเกิดขึ้นตลอดเวลา ครูชาติแต่ว่าความตายมันอยู่ในชีวิตเนี่ยตัดมาสองพัหรอปีแล้วนมันจริงทีเดียวเลยนะเพราะว่าทุกขณะในร่างกายเรามันมีเซลล์ที่เกิดแล้วก็ดับมันมีเซลล์ที่ตายอยู่ทุกเวลาทุกเวลาเขาคํานวณประมาณห้าหมื่นถึงแสนและแสล้านเซลล์ในหนึ่งวันเนี่ยมันมีเซลล์ตายในร่างกายเราประมาณห้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์แต่ที่เราไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่า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 อย่างเช่นไปยึดว่าร่างกายเนี่ยมันต้องเที่ยงนะมันต้องไม่แก่นะมันต้องเต่งตึงมันต้องมอีกำลังวังชาอยู่เสมอนะอันเนี้ยอันนี้ผิดละไม่ได้ผิดศีลนะแต่มันผิดธรรมคือผิดความจริงสวนทางความจริงตอนเราไปยึดว่ามันต้องสุกเนี่ยนะอันนี้ก็ผิดละไม่ใช่ผิดศีลนะแต่ผิดธรรมเพราะว่า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 แต่ที่ทุกใจก็เพราะอะไรเพราะว่าวางใจไม่ถูกนะมีโยมคนหนึ่งนะอายุมาแล้วเจ็ดสิบกว่าเป็นนักธุรกิจนะั้นเกี่ยวกับเรื่องบ้านจัดสรร น, นะเจ็สิบห้าก็ยังทำงานนะทั้งที่รวยมากลูกทุกคนนี่ก็ประสบความสเร็จในการงานเป็นหมอเป็นนายุทธสโมสนตรีเนะ โยนทำ ง, งานหนักจกนกระทั่งเป็นโรคพากินสัน่นมือสัน่นเดินไม่ได้ต้องนั่งรถมาหาตัมมามาได้สีหน้าที่หม่นหมองคุยกันสักพักหนึ่งโยงก็พูดว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเป็นแบบนี้โยนคงเข้าใจว่าชาติ้วไปทำอะไรมาเนี่ยชาติจึงเจอวิบากแบบนี้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 มันอาจจะส่งสัญญาณหนักขึ้นมาเรื่อยๆเช่นอาจจะป่วยเป็นหวัดบ้างเป็นนั่นเป็นนี่บ้างเป็นสัญญาณเตือนโยงก็ยังไม่หยุดอีกโยงยังทำงานนอนก็ไม่พอพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนะสุดท้ายมันก็เลยนะุดนะป่วยเป็นปากินสันมือสันพูดไม่ค่อยชัดนี่ผิดข้อละน่ะคือไม่เชื่อฟังร่างกายนะ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 สัญญาทํางานดีแต่ตอนหลังเนี่ยสัญญาก็เริ่มแย่เนี่ยโดยเฉพาะโยมเนี่ยถ้าไม่หยุดนะอาจจะเป็นอัลไซเมอร์นะพอเป็นอัลไซเมอร์แล้วความจําก็เลอะเลือนแล้วพอตะนเนี้ยนะเราเข้าใจเรื่องทุกข์เอาไวด้ดีๆนะมันจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวทุกเราก็ไม่ยึด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 ส่วนร่างกายมันก็ต้องทุกไปตามสภาพของมันเอาชาวนี้พูก็เท่า น, นี้ครับ